เออเดือนส่นี่มันจะหมดวันละนตอนมันันถุ้องที่สเนี่ยจะมีเหลือป่า็นะถูะเลไม่เหลือก็ตังแเนเนี่ลออนเ ถ้าเดียนสหมดเลิกหาเรื่งไม่ได้ไหน้องน่การเรื่อโเลิกเรียนมีนานีได้วันที่สามสิบกับวันที่2ี่สิบสองาำคัญคหมีสคัญเรื่องบ้านนดยประโยคแล้วก็วันนี้ที่รรอะไล่ ด<า>ยแลมาวานี่ไม่มาถามว า, านเลยรู้ได้ไหมรูนทำวนี่้ดีมากอันนี้ต่อไปก็จะก็เดืนมีนาเนี่ยเอาไม่ถือดังที่รอกมียี่สิบอที่สามสิบ อ, อถือจะเร่ยคมประสิทธเล่ยคมประสิทนี่ท่านบอกว่าข้าหาเรื ừng, ร่องถึงว่าไม่มีแต่หาเรืไม่ได้ให้ทำเลยอันนี้ก็ดีที่ เลยใชเรื่องเดียวถ้าเคยไปเมื่ก่อนนี้ก็ไปทรบที่จะสนใจกัเรื่องนี้มันมีว่าไปาเจ้พ่อสมัยก่อนนู้นนะแล้วก็ข้าว่าต้องพ่อจ่ายถ้ามีโรงสีโรงสียอดส่วนอ่ะถ้ามีแล้วสวงมองือหาท่านคือการวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อใครอด้รายทัพโรงสีที่สูงสูงเร็วก็โก้ไม่รู้ว่าเรือกไปกหนไปมันก็มาเชี่ยวเข็งกูยาวเรื่ย กูกห็หายเห้ือนเป็นในขณะเข้ามาเัาเชื่อเห็นแล้วมันเข้าไว้เปิดสมุดข่อยเจ้าวัดูไปเสอเรื่องนี้เจกาได้ทบดสมุดข่อยก็ขาดตั้งอะไรบ้างได้วันดีเจ็ดวันทัิท่มมีเหลือห้าวันสมุดขาดเอาเรื่องอะไรหรอขมยุ้นั่นกหาได้กูหาไปก็หวังใช่ไหมนี่เห็นกันเลยจดมาจุดมาสมัยอ๋อสมุดเอารื่อนั้นไพื้นฐานเลนที่ต่อไยพื้นฐานว่าคุ้นดูคุ้นดูก็ได้ทบ กบแล้วตามลำดับท่านท่านบอกว่าเรื่องนี้ที่เริ่ ก, กุรบสิถ้าหาเ ร, หเรื่องนี้ได้ฉันก็ถึอว่าเสียให้ทำเลยคือไม่ต้องยังตัวหาจำเลยเหพราะไม่ดีไม่ดีไมดีวันนั้นเ่ยนะในวันนั้นเรื่องนี้ว่าดีให้ทำ เ, ยทเลยเหไห้แค้นั้นทำเรแค่ต้องลองทีคนหนึ่งไปเที่าวก็ไปเจอโยมคนหนึ่งในขายกวยเก็มาค่อยคุ้นทางทาโยมเอาเรื่องใหม่ดีไม่ทดลองดูตัง สร้างห้างขายขด้วแจกใหม่จนนานจ mm hmm. เป็นอะไรก็าทา ไ, ไม่เลยมเห็นไรใช่ mm hmm. หมัวก็บอกเอ า, เาแล้วเปิดตาราแล้วบอกเอาวนนี้นยโยมนะเนิ่มทำวมนนี้ม mm hmm. า ว, ว่าวันนี้จงจะบอกฉันบอกจาทาแล้วก็อันเนิ่นก็ขายดีมากพอฉันบอกใจแล้วจะได้ปี ก, กว่าถึงพันไปทนั้นไปพบแกเข้าถามใจไงโยมกเก็โคตรมีดีดด ตอนสมัยมกันก่อนนที่ขายดีที่สุดมันเท่ากับเวลานี่ขายไม่ดีวัไหนขายมาเยนดีกว่าัน้ขายดีเี่ตอนนี้ไปไม่ว่าใจไม้สี่อันเป็นเรื่งะี่มันกลายเป็นไม้ตอนกระดานไปแล้วเนี่ยแต่ก็พ้อมันนด้กขมาวัดเขาจะต้องมา บ, บอกพี่ชายที่เป็นหมอมาลองสูไม้ถึแค่สุหลงเอาเรืเนี้ยอาลองดูเป็นาริสูตรนะเขาเยสูบอยู่แล้วเขาก็เอาเรื่องนี้ลองดูที่เเลิกเขาบอกดีมา แล้วก็ใส่บางเรือพักคนไข้เ น, นี้แปลกถ้าคนไข่จะตายเนี่ยบานเดืนมายนก็มีกระตอมมากแค่ยันนอนย่บ้านเหล่านั้นได้ไม่เมกินสามคืนถ้าเราเั า, า, า, เาไม่ว่าเขาอยู่ไม่ได้ก็ใส่ไม่ตายที่บ้านแต่บางทีคนไข้าบางคนนี่ต้องหามขึ้นมาถ้าอยู่ได้ถึงสาวันนีคนนี้หายแน่แล้วเราจะเล้ยงร้อยฟังแบบเรียได้ใส่เยอะบางทีงคนไข้ในหมอก็ พิสูจน์แล้วว่าบระการให้ยาแล้วก็ให้พยาบาลต้ออยู่ก็หมายว่าเวลานั้นในเวลาเท่านั้นจะมีการอย่างนี้เกิดขึ้นให้ยานขนาดนี้นะมันก็เมายาได้บางคราวก่อนอยู่งหเวลานั้นจะมีเสียงมาบอกเพราะว่าไอ้พี่สัง่งโรพยาบาลว่ายังไม่ถูกต้องคิดให้เป็นยาใหม่ในการที่เป็นมันเป็นอย่างนั้นจะมีการอย่าง อ, างอื่นแฉก็ต้องให้ตามมัน น, นคะครับ <ม>อันนี้ท่าเจะหมดทีแลยกนว่าก้นอมุกกเ <c oughs> ต้เาเร่หนึ่งในอัับ <c oughs> น่จ ะ, บะูบ้านนะามีเนี่ยทุกเดือนจะได้หมดก็เรืที่มีทุกเดือนลีกเ็เป็นต้องมีเวลาด้วยมี่องนี้มี่วโเต็ม <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวก่อนห้ามข้าม ข, าขดลุมเสาทีสอง ห้ามเวลาไม่ช่างหลับอะไรอย่งเงันตั้งสามชิ้นทำไพอหันหน้าไปทางทิศที่เราชอบใจไม่สงคันเราสะดวกในการไหว้ิดไหนเราก็ต่างทิศนั้นเลยให้สะดวกในการขัาหรือไหว้แต่ว่าทิศยืนศาลพระพุทธเจ้าตั้งหนี้มีความสำคัญพระพทเจ้าตั้งการลำบากทั้งในสามทิ คือทิศเหนือที่ตะวันออกเชยงเหนือกับที่ตะันออกอถ้าตั้งที่ตะันตกพังแน่ที่ต้องวัดเขาทาหลายบ้่นการหันหน้าไปมานไม่จำกัดประตูาลเออเขาบอกเราไม่จัดเป็นคิดไหนก็ได้หันหน้าือเงมนการตั้งศาลเขบอกล้วหันหน้ายังไงก็ได้เราไหว้สบายก็แล้วกัน ไอสารคิดที่สามตั้งลงไปนี่มันจำเป็นแต่ว่ามีแต่หยที่จะออกมาก่อนนี้ก็มีสหารบางคนวันที่แกวันาาีเนี่ยถ้าแกเจอสามพงะพนตั้งที่ตัวออกเขาบ้านไม่ได้กันนี่แต่ว่าขอกระดาษไข่ขอเล่นอสเล่นสอแท่งโคบสามดอกจะกไปบวชา วันเช้าแล้วแกเอากันด่ายเป็นสอวางไว้ข้างบนแค่เจ๊ก็นอนเต่าถ้าตอนนอนเต่าเนี่ยบาดหาแค่ตอนเช้าแกออกมาก็ก็ดาวที่สว่างไม่ได้ถ้าเล่เกิดขึ้นจะต้องดูเมื่อก่อนสว่างถ้าหาวสารที่มาเล่ไม่เีจยก็ไม่เป็นแสงเป็นเป็นเสาเขียนเนี่ยถ้าดาวที่ขึ้นเต็มที่จะไม่เห็นตัวเลย นี่แค่แค่งนอนเ้าแต่เลาใช้กวนนอนเป็นใจแค่วป็ถูกกันเจแถวนรียว่าทหารคนนี้เลยไม่มีใคร่าใช้ทำงานไอเจ้าผู้กำชามีแต่ทหารไล่หาหวยไอไอนั่นเป็นไปดีใครใช้ได้ทหารไม่ใจก็ไม่รังเกียจไอเมืองไม่ต้องมาทำไม่นอนแต่ทันมันไล่ติดก็ไม่นอนไม่นอน้ไม่นอนไปจังเลิกไปเจอที่จะไงอะไรกันแต่ทุนที่ก็ไปหาหวยมา จะทำไมขอเรื่อหวยก็ขอได้มจะ c h ยก็ขอควรเลยหนึ่งจังหวะฮะอีาข้าวโกงเหรอแอะอไอแคร์้เรื่องมาเจ๊ตมันขอข้วกงที่ตอนออกค้นออกเต่งเหนือก็พี่เหนที่ดูยจริงที่ตออกเงเหเนี่ยเพื่อตามที่จะนเองตั้งได้ก็เล รูสึให้เขาไคุยเราได้ก็แล้วย่าหันหน้าไปทางที้มันคุยเราไม่ได้จะหันหน้าส่องฟ้าก็หันหน้ารู้สึต้องต้องหันหน้าที่ตะวนตกนะารที่นิยมนะแต่หันหน้าไปนะ ท, ทางทิศใต้ทิศตะวันตกโคดอย่างอื่นก็ไม่ปรากฏป ร, รากสตังไม่เหยื่อไท้ได้แต่ว่าใหญ่ๆกอที่เฉียวไปทิศใต้ทิศตะวันตก เมื่อเมื่อก่อนนี้ฉันไม่รู้ตำราไม่มีเมื่อสมัยหล ว, พวงพ่อปานยังอยู่ชับบ้านที่มีความเคารพท่านจริงๆนี่ท่านต้ดูก่อนท่านจะไ ม, ม่ที่บอกบไปเห็นตั้ง ร, รัวทุกันหน้าอาจารย์พิตรที่ลงต่อสมบัติอนุหันสมัยลุกถ้าตั้งมันจะไม่ปอดภัยถ้าใช้เงินรับฟังมาแล้วต่อมาก็มีนาจะหารคนนึ่งแต่ก็แต่ก็นับถือแล้วก็เริ่มคุยกันได้ในหนังสือแล้วก็ทราบเลยเขาเดินไปตลาด เราย้ายบ้านใหม่เขาแนะนำเขาตั้งห้องตะทั้งหน้า ท, าทั้งตัวต่อให r บ้านมันก็จำกัดก็ไปติดอะไรส้วมนะแต่เขาทิ้ม้เนื้อแผลส้วมนี้ก็ได้สางั้ ง, งหองนี้นะก็ดีตลอดมาสามปีต่อมาก็ไปใหม่เออเอเอแต่ก็หันหน้าไปทาทิศใต้จัดห้องใหม่หันหน้าไปทิศใต้สามเดืนเอนอ้ทเห็่าถามว่าทำไมหันหน้าไปทางนล่ ก็บอกที่เดิมไปห้องน้ําครับห้องน้าห้องสวดเดมว่าจะไม่ไปไกลขอรบก็เออแต่หน้ารายการที่ตายเนี่ยกินกี่เดือนแล้วสามเดือนไปถามว่าไอ้สามเดือนในกระตางมันเหลือไหมไม่ถามเดียวเออจริงมีเรื่องใช้หมดทุกเดือนรายการนี้แกไม่กินเนื้อไม่สุนดียังไม่เกี่ยวอีคนนี้เจ็บกระตังอยู่ไอ้สามเดือนเนี่บอกไม่มีความเจ็บไม่มีอะไนเจ็บมีเรื่องใช้ตลอดเวลาแกเลยต้องย้ายมาทนที่เก่า ไม่ได้เก่าเลยดกว่าคืออันนี้ไม่มีรมกรรมาเนี่ยมันเป็นแค่ขั้นศึการอ่ไหมแต่ว่าศึกษารจริงมันก็เป็นแบบนั้นมีรายการหนึ่งท่านูเนี่ยท่าตั้งทางด้านพิจตรวันตกก็ต้องคิดมากถ้าเกียบว่าบสงมราระจะอยู่นขั้นเสร็จทีทั้งคู่หมดตัวพิจตรวันตกนี่เป็นที่สงฆ์คืา ว, วัด ถ้าทิศโดนตกถ้าเป็นทิศของวัดวัดที่อากาเสตวดาเขาศึกษาาตัทิศนั่นอากาศสติวดาเคยรักษาให้เราไม่ได้บุญเราไม่พอทย่บุญไม่พอกับเขาแตว่าก็ว่าตามที่เห็นปรการณ์ตามบ้านมันจะไม่เป็นไรก็ได้ตลองลสักสามปีถ้าหมดอะไรก็มาบอกฉั้ไม่หมกมาบอกตอนนี้ถามว่าแนนอนไหมสบา ก็ต้องบอกว่าเท่าที่เห็นมานี่แน่นอนแต่บางบ้านอาจจะไม่เู้ ย, ย่างนันก็ได้นะเรื่ได้ต้องเกี่ยวกับเคองกรรมด้วยนะอาใช้อะไรหลายอย่างแล้วขายบ้านนั่นดี <c oughs> เลื่อกขายบ้านต้องหาให้เหมาบ่อหนึ่งต้องดูคนจะมาซื้อมีตังไหมส <c oughs> องขายราคาถูกนัดรอกขายได้สักที <c oughs> <c oughs> ก็เลยเดบันในโน้ตมันใจอ่า i เราเล่นในบ้านเหอนเนี้ยที่โรงงานคือสามดอกก็ได้คนบอกว่าเอาทีละตันก็ได้หนึ่งพันเ t ้าร้อย r ก้าดอกแต่เนี้ยมซื้อๆก็จ้ว่ะบางบกเดอกบางบ้กดอกบางบกดอกว่าตามมแวมีาวไอ้โน้่ะโน้หนย เพราะว่าบางบ้านบางทีกบูชาแล้วท่านจะมาบอกก็มี่าถ้าจะบูชาฉันจะบอกฉันนั่นก็ใช่พุ่งกันตรงนี้มันเป็นสลักษณ์แสดงออกว่าถ้าใช้พุ่งขนาดนั้นกับเนื้อแดงท่านแม่ก็มีในที่บางแห่งใค่พดในที่บางแข่งท่านก็มาสั่งตกดอกบัางบางแห่งก้าวดอกบ้างตีดอกบ้างนี่เขาสั่งเฉพาะเลยใครเขาไม่ฟั่งแล้วมัถือว่าบูชาตามพระก็ไม่สิ พระภูมิเทวันดาเทวมีก็แปลผู้ประสูติเทวันดาภูมิเทวันดาเขาถือผู้ประสูติพระมีก็แปลผู้ประสูตินะมันไม่เป็นไรจ้ะถ้าสใบลายหยกใบมีุบใบของอะไร เจ้าของฐานท่านรับมือส่งรับมือส่งอะไรเลยให้บริจิตย้อนไปไหนเนี่ยเอาไว้ทำใบมูลน้ีนะออาแล้วรไอ้ เราข้มีจริงืม่จรี่ยไม่ปรู้ประกาศขายม่อเ่องข้เองขายไปหรือไม้าไขายใหม่หรือป่าระกาขายร้อยหสิบาทผมบว่าประกาศประาจอบเสียงมีคนซื้อเลยนี่ขายเท่าไหร่สาล้าไม่นะตอนน้รู้ขายกแสหานี่ ร้อยยี่สิบตารางมตอนนี้ขาเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีคนเื่อหนูเลยไม่ขายแล้วค่ะได้เอาขยันลยนั่นเลเอาเลยค่ะ่ือที่มันตัดไหนด้วยอ๋อตตอนนี้เงนมีนเปิดือมีที่พีอะไรหรอมีมีที่นึ่งแต่งบ้านในสวยสองขายราคาถูกสองขายราออถูกให้ขายที่พีแบบ ขายบ้านไม่ Ach, ขายมขายขายถานทนี้คากะถานอันนี Sydney ้ไหนกันอ๋อราคาลำบากเวลานี้สแตนทนน้อยขายที่ขายบ้านในลบากหน่อยเนี่ยมีที่อยู่ทีนี่อ่ได้เลยรายกาคนไม่มาเลยอยากจะให้คุณบ้านขา้าที่ไม่ได้เลยเออห่นการ่มีจุดจุดจุดจจุดจุดจุดจุดจุ ไอ้าวางนี่ก่อนไอ้กาวางนี่ก่อนเออนระหอสกูกานี่โอ้กานี่ต้องหัดวิน้วขยันีึล่ี่ลหมดลยหมดเลย เอ้น่ากอดโน้ตองลนี่คนข้างซ้อไปมานหาทไมหรอกเนี่ยคนคุ้มีตามต่างัายากเออดีดีที่ดดีตาดคนนี้เป็นบารตาตรงดีทวาต้องการ เขาไปก่อนเขาไม่เคยบอกว่ารนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มาที่นี่เาเจ็บไ้กี่หน้าเขาขายขายอืมขายกี่แสนอ๋อผมเห็นได้ค่ะได้แน่ๆจะขยู่แสนแตตอนนีู้กแสนข้งไม่ได้แล้ว่สงแ ขายห้าไม่ได้ขายห้าแสนถูกเฮ้ยสขายไปเอาไว้ในลายเขามีสตายก่อนหมรอไว้ยะให้ลูกค้าชมมันจะขายได้มากกว่านะใช่ไหมก็ได้เออชอบดีใ่ ก็แผ่นเจ้าไปเลยไม่ยิกเลยกเจ้าไปกมาก็มาก็ไปไม่หยิกสายอับสาขายเจ้าสายเจ้าเหมเจ้าขายเจ้าร้านเจ้าหาไปเจ้ากงเจ้าไม่ตกเลยหราอเจ้าหอกันง ใช้ลำบากตอนเงินที้พันวนคือว่าเกเื่อไหร่จะดีนรับคเดธุรกิดีทุกวัน <c oughs> แต่ว่าเราหากระตังยากหน่อยต้นทุนใช้ต่อไปถ้าเยอะซื่อใส่กับข้าวตอนเช้าตอนใช้รับผลได้ <c oughs> นหวันซืนี้ใครมันบอกว่าราาเพียงกิโลละรอย ก็เรียมพิลล์ลอยคืมาอ่อนเลยใช่สิเอิ้นคนบริกาเด็กพิลล์ลอยเด็กทุกคนต้องชิมใน่ไหมไอเราน่าจะแพงตกมาตั้งสาปีแล้วนะว่าสมมติเออมันมีปัญหาอยู่ว่าคาเทียมที่เราซื้อมันแพนมากทจ๊เขาขายจากต้นทางราคาเท่าไหร่ ก็าอืก็ต้องท<พ>านแล้วแม่แต่แชื่อใหม่กัน่หละน้ำมันก็เจอแล้วตอนี้เะรป็ปีที่ดีอ้วน้ำมันเจอแล้วท่านยังไม่พอต้องให้น้ำมันมันต้านอากามเองสินั้นละก็อยู่ในเกณฑ์ผันขวนสองหกนี่เป็นปีกลับรูดีหน้าดี ถ้าเป็นหน้าเนี่ยคือเราดีก็ดีเอาลมเนี้ยที่จะเอาเด็กมกเองนะถึงมาโอ้ดีตัวดีตัไม่ดีทำไมยาดีไหมล่ะเราเป็นคนตัวนี้มันดีมากเดือนนี้มีอะไรบ้างก็ขับรวยแล้วก็เอาอวยไปเก้าพันตลาดสงไเดี๋ยวไป มีอะไรที mm ่เยอะหน่อยอันนี้ก่อนรับทรนี่ก่อนไปทำบุญเมืองไหนทีน่ี่รักจับคุณไปนี่ฝากมาฝกมาฝา่รักไปไปบยันนุญอายการอ่ามาเอยีดีดดีดดีีด ทุกคนที่ทำบุญแล้วนะครับตอนนี้วันวานห b ทุกวันยากย่ท้าววิวานหาผู้ราบริบรม b ิสาท a รรมเอวเมรุโตจ e นังเตจานังวัคคัปปสีวิจิังวิจิตังตุ้มังทิปมิวัติวิจเตโตสัพเพวุเรตสังฆา จันโกราโซยัตามิตรโยรัสยัตถัสติบิโยวาชนุสัพพลโลวินาทวจุมาเทววัชวันตรายโยตุปิทีขายกโกภวาณทุวาเนติสเนชังมุทาบจายโน กัตตโยธัมมาวัตถันิอายุวโนจุขังอัลลังโสอัตตะโสภิตโสโยโนสัพสนารุโคภตโหิสสัิาติสัารคาตาุิสั เทวียดิชีเทวทราชกิจานุน้าวตัสสะไม่รู้ข้าเทวท้าวตัสสะพิธียาดิชีโอตุสาภังมังลังลาขันธุตัสะวิวัสสะปุถารุพาเวรัสทาโสทีโอวันุสีโรตุสาภัมังลังลา นุสสปพะเทวตาสัพะธรรมารุภาเวนสะทาโสทีภวันติโรตุสะธัรมังลังรักนุสสะพะเทวะตาสะพะสังขานุภาเวนสะทาโสทีภวันติโรบทรูปไปท่านเจริญอริยมรรค หายอยาเดียวไม่ต้งการไม่ต้องรยกมามันนั่นมมีโอกาสเออดนี้ใครโดนหายโษาเตเนี <hatten> <met soup> ่ยเดี๋ยวเดี๋ยว <Maria> ั้งใบหมนามาดยมาส์น <Gay> ี่ยเก็ไ้ไปดูแลกไม่กปอ เอาสองทำไงเดี๋ยประกาศเริ่เมอกี้ก่อนทำไมเพราะนพี่เพรอะไรเนพี่ก็ได้เพราไรเล่เพาไปเพาไหนก่อนอารมณ์ควมรู้สึคนมาถึงเราทำบุญพลาดได้ทุกอย่างทำทุกอย่างจะต้องการจะนางคนเพราะเลย เขาได้แต่เขาต้องทำแบบตุ้มแบบเป็นไปแต่เขาขโมยเขาน่ะาช่ไหมใช่จุดมันเหรอได้ของไข่้อคุตรบารมีอ่าโยมมันมีไหนเราไปภาวนาจ้ นะมีอะไรีต้กำใจวอะไรเห้ยที่โอเลยจะมีที่ตั้งกำลังใจที่ีตั้งกำลังใจไม่ต้องมีอะไรหรอเรามีฤทธิ์บ้ามากฤทนี้ก็ใช้ได้เห็นไหมถ้าบ้าร้อยกำลังใจตับบ้าในดังท่านดีนะเอออย่างที่พระเจ้าตงคนทำ ยังไม่รู้อภิเกษสัมมาสัมปวียาณต้องทาตามท่านในวันนั้นคื อ, อ ท, ทา่านทาตามแบบท่านไมื่อตีไม่ผลวันสุดท้ายสำเนากระสุนของตุนงัถึงเมไทรว่าถาว่าเราไม่รู้อภิเศษสัมาสัมปวียาณุนใจเ่งอดไเรื่องที่เกิดท่านไปมื่อตะีเราจะไม่ยอมร้องแต่ทีที่ไม่ทํนก็ไม่ได้ด้วยว่าจนโง่ยังนี้ท่านไม่ไหน อายรูปนะรวยมากนะสารอยร้ยไปตีทุกวันมาเนี่ยทุกเชือนั่งแช่จะบ้างให้รวยมากแช่ทุวันถ้าเม่ตื่นขึ้นมนก็แช่กอนลับก็แช่เราไปแช่แบบนี้ไม่ได้เรโอดตายไอ้แช่นี้ยไปช่วังดีคุณบ้านนกงตัวก็ตัวโตตัวตอยไห็นึกออกไหมลูกนับอกเลย้องเข้แชวนี่ก็ดิ ว่าทำไมถึงจะโกดวาเหมือนแค่เอาไปเรืยองทองห้าพันตำโกดแน่เลยแม่หลวงพ่อไอ้มาวไปยกไปถุงเนาะเฮ้ยแค่ก็มีความนัสออกมาตามใจแบบนัสถึงใดก็ได้ไร่น่าต้องการแบนันเยอะ ใช่เอาได้ได้หมดเลยทำอะไรได้ได <c ười> ้ไม o ยอมว่าฉัรู้บก่ไม่จเอาสองเลยนแบบก็มาแล้ว อีกท่ติดบ้านพนักงาน้งีารท้นันเรื่องเลยพนันทุกบ้านพนักงานแต่เออเงทำ่างนี้นะต้องีกรอุร์ากงานทุกบ้านพนักงานนะเจ้าเออ ไม่ใช่โลามาไวเท่าเราคุส่งมาไวเท่าคุยอะไรดีนเคุยอะไรอะไรลูกอะไรมาทำไมกันเพื่อหรือป่วยเ่าเรา ถ้ามันนอนอยู่ที่น er. like ั่งปล่อยหมอนตายก็ไม่เคยสามันที่นี่เร l เหมือนกันไอที่วัดก็ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรหนึ่งแต่ไปก็ต้องรุกใหม่เลยอะไรก็มานอนที่หมอให้เกิดเรื่อก่อนก็เมือกับช่องปัญนาสามก็เลยมีแรงหน่อยเข้ามาที่นี่เหมือนกันหอนทำให้เกิดต้นให้เกิด เดี๋ยวฉันสอนดีเลยนะอาแล้วไม่ตอบกลับมันรู้ก่อนหมเออสอนดีแต่ถ้าเปล่าฉันหมดลมนี่ทีหลังต้องมาเรียนิลาใหม่ต่อเพอหาสูรหมดเลยที่จางพวผมคิดะาทานีตัวี บางทีเาสมบัติอย่างตามตันใจนี่เช่โยชน์อ hmm. uh, ja, so ืมน like so ั่นก so ็จเลยนะโยกสูงวิธีทนาต่ถ้าฝึกแล้ก็สอนม้ไปคนสมุดนะูข้างอแตบคูังมือเ้าดินนะขอพรเม่อเวลาสอนขอตัดชินใจถูกเข้าในะเวลาเขาสอบมาตัดข้อต้นั้นทาเลยตัดชินใจเลยะขอตัดชินใจถูกนะ พ้าเขามีก่อนเข้าทำงานหนักมากเลยลุงก่อนมันเสียธรรมย่องไปถามให้าตอบยังไงมันบอกไม่ได้ขนาดนี้นะเอาของทำเลอ้ผื่อได้มาเปลี่ยนผื่อผื่อก็ไม่เปลียนผื่อไปว่รู้ใครแล้รูก้ก ไ, ไ, ไม่รู้แล้วผู้ <c oughs>